ความหมายดีน ะ, ะแปล ว, ว่าความรู้แจ้งเห็นแจ้งอันนี้คือปัญญาปัญญาคือแสงสว่างในโลกปัญญาทำให้เราพ้นทุกข์ได้ทีนี้ว่าปัญญาเราจะแบ่งเป็นสองด้านอันนี้แบ่งเองนะเดียความรู้สึก ค, คือปัญญาทางโลกกับปัญญาทางธรรมปัญญาทางโลกนี่เราก็มักจะมองเห็นว่าใครก็ตามที่คิดประดิษฐ์สิ่งใดขึ้นมา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 เราจะสังเกตว่าคนที่ประสบผลสำเร็จในทางโลกที่มีปัญญามากฆ่าตัวตายก็มีเป็นโรคจิตโรคประสาทก็มีแต่คนที่บรรลุผลในทางธรรมเช่นเป็นพระอริยเจ้าจะไม่มีการที่จะเป็นโรคจิตโรคประสาทหรือถึงกับฆ่าตัวตายใช่ไหมแสดงว่าปัญญาทางโลกเนี่ยยังดับทุกข์ท่านาจิตใจไม่ได้เบางทีก็เพิ่มทุกข์ได้ซ้ําไปถ้าไปยึดมั่นถึงมั่นมันม<า>ไม<ป>่ได้ค่ะปัญญาทางธรรมเนี่ดับทุกข์ได้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 แล้วก็ได้อ่านเนี่ยได้เรียนได้อ่านจากหนังสือเนี่ยอันนี้เป็นปัญญาขั้นต้นๆ้นขั้นต่อมาคือปัญญาขั้นคิดนึกพิจารณาหาเหตุหาผลอันนี้เป็นปัญญาขั้นที่สองเรยว่าจินตามยะปัญญาอันแรกเป็นสุตตะสุตะมยปัญญาปัญญาเกิดจากการคิดนึกนี่ส่วนปัญญาขั้นที่สามเนี่ยปัญญาในขั้นหลุดพ้นเลยก็เรียกว่าภาวนามยะปัญญา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 จะมีภาพนี้มีก็มาหลายอย่างอาจารย์กําลังบอกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาที่ใจเราสงบแล้วมันจะเห็นภาพอะไรบางอย่างในใจของเราใช่ไหมคะใช่แล้วเราควรจะจัดการกับสิ่งเหล่านั้นอ๋อเราก็ยอมรับสิอ๋ออันนี้คือเป็นเรื่องธรรมดานะเป็นภาพนิมิตที่เราเคยทํามายอมรับมันซะไม่ใช่ว่าเราจะต้องเป็นทุกข์กับในภาพนิมิตนั้นนิมิตน่ยมันไม่ใช่ของจริงหรอกเป็นสิ่งที่จิตมันปรุงแต่งขึ้นไม่ใช่ของจริงแล้วเราต้องยอมรับด้วยเหรอคะอ๋อยอมรับในสิ่งมันเกิดขึ้นแบบนั้นนะมันเกิดขึ้นจริง